ตอนเศรษฐกิจพอเพียงวันที่18ทธันวาคม 2,559 ก, ก, การาสบกากาบมกรรพระคุณเจ้าสามเณรคุณเมธีกันเลยเมตุกท่านก็นั่งสบายสบายเนาะเป็นปกติทุกคืนวันอาทิตย์เรื่องแรกมีสิ่งที่ต้องรายงานที่ประชุมนะประชุมครอบครัวใหญ่เราเพราะมันจะมีการเปลี่ยนแปลง วันที่15ที่ผ่านมาก็ทางกองทัพไทยส่วนกลางเขาก็มาประชุมที่ศูนย์แล้วก็มีหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ตัวแทนที่ประเทศลาวแล้วก็ชาวบ้านหน่วยงานนี้เขามีโปรแกรมที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9นะ โดยมุ่งเน้นชายแดนสามประเทศคือพมา่าลาวกับกัมพูชาพมา่าเขาไปทําเรียบร้อยละพ่อครูถ้าไม่จําผิดนะคงแถวจังหวัดปจัจจวบัเรืออะไรแถวนั้นแล้วก็ข้ามไปฝั่งพม่าพอครูจําไม่ได้นะตอนนั้นทั้งจุดที่เมืองไทยก็ตั้งเสร็จแล้วแล้วก็พมา่าก็ตั้งเสร็จแล้วตอนนี้ลําดับที่สองเขาจะเอาทางประเทศลาวบังเอิญเขาเลือก จังหวัดอุบลที่เซลินทรก็ตกลงเขาเขาบอกเขาขอรบกวนพ่อครูพ่อครูบอกไม่ได้รบกวนนะพะ่อครูทำมาแล้วยี่สิบกว่าปีนะโดยเฉพาะพ่อหลวงเราไม่อยู่แล้วก็เป็นหน้าที่พวกเราต้องช่วยกันขับเคลื่อนต่อนะ เ, ออเพื่อให้ปณิธานของในหลวงเราเนี่ย สำริดผลนะซึ่งถ้าไม่ใช่เรื่องในหลวงหรือไม่เศรษฐกิจพอเพียงพราครูศึกษามานานแล้วจริงๆแล้วพว่อครูทำกเกษตรเพื่อชีวิตตั้งแต่ปีสามสองสามสามสามสี่สห้านะตอนนั้นคนทั้งประเทศมาดูงานที่ไล่แหลมทองนะโทรทัศน์หลายช่องก็มาถ่ายทำแต่ส่วนมากเขาก็มาเที่ยวนะบอกมาดูงานก็มาดูจริงๆดูแล้วกลับไปก็ไม่ทา เพราะกืว่าไม่ได้ผลถ้าเกิดเขาไม่มาเขา้าค่ายต้องสามวันห้าวันขึ้นไปหรือว่ายาวกว่านั้นมาอยู่เป็นปีก็ดีเขาจะได้ซึมซับปัชญาเศ ร, รษฐกิจพอเพียงแต่ตอนนี้การเรียนรู้เราไปเรียนรู้วิธีการไปบอกขอจดสูตรจดสูตรหลายปีก่อนอะไรละ่ะโครงการหนึ่งตำบลหนึ o ่งพิษภัณฑ์โอท็อปกาลังเฟื่องฟูนะก็ไปก๊อปปี้กัน วายหลายยี่ห้อออกมาเลยนะแล้วปัจจุบันนี้วายวอดละวายวอดหมดเกษตรกรถูกกระตุ้นให้พัฒนาแล้วก็เจ้งนรียนานาฏหลายปีแล้วทุกวันนี้ยังจ่ายหนี้คืนไม่ได้นี่คือระบบพัฒนาเรานะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาก็มาคุยคับพ่อครูพ่อครูบอกว่ายังบอกอีกเออจะมาดูงานที่ศูนย์เนี่ยมีวิชาใดบ้าง พวกกูว่าหลงประเด็นอีกแล้วนะส่วนมากเราไปสแสวงหาวิธีการใหม่ๆเพื่อจะเอาเป็นเครื่องมือในการแข่งขันทำลายคู่ต่อสู้สังคมทุกวันนี้เป็นอย่างนี้นะพวกกูบอกว่าวิธีการดีแค่ไหนก็ไม่ดีถ้าคนทำไม่ดีคนทำดีแค่ไหนก็ไม่ดีถ้าเป้าหมายในการทำมันไม่ดี เป้าหมายในการทำดีแค่ไหนก็ไม่ดีถ้าวิธีการมันไม่ดีมันต้องไปได้วยกันหมดนะแต่ก่อนจะถึงตรงนั้นเนี่ยก่อนจะถึงเป้าหมายเราต้องรู้ก่อนว่าเราต้องการอะไรกันแน่ไม่ใช่เห่ไปตามกระแสนะตอนนี้ลูกหลานเราถูกสอนให้เป็นนักก๊อปปี้ผู้ยิ่งใหญ่นักเรียนแบบไม่ใช่นักเรียนรู เราหลงว่าอินเทอร์เน็ตนี่ข้อมูลฉั้นท่องไปทั่วโลกได้เลยคุณพ่อคุณแม่เต่าล้านปีอย่าพูดมากเข้าอินเทอร์เน็ตก็ไม่เป็นตอนนี้คนยุคใหม่เป็นแบบนี้เราไปหลงว่าเรารู้ใช่เรารู้มากแต่เราไม่รู้จริงในอินเทอร์เน็ตนั้นน่ะไม่มีแต่แม้แต่หนึ่งความรู้เป็นของเราเองเลยเราเป็นแค่นักเรียนแบบไปท่องจําของเขามาเราเก่งที่สุดเราเขาเท่ากับเข้ากับเจ้าของตําลาเขา นะยิ่งสังคมแข่งขันเสรีพ่อคูไม่ชอบไงพ่อคูถึงหนีมาอยู่ในป่าแต่เมื่อเราเลือกไม่ได้แล้วเราต้องสอนลูกหลานเราเนี่ยให้สร้างรุ่นใหม่ไม่ใช่ไปใช้รุ่นใหม่อันนี้ก็ชี้แจงว่าอาจจะกระทบชีวิตพวกเราบ้างแต่เราเป็นผู้ให้เราต้องยอมให้ให้อีกเหมือนเก่าศูนย์ประหลาดคอยให้แรกๆพ่อคูอยู่ยี่สิบปีที่นี้ไม่เปิดตัวสงบเย็นนะ แต่ตอนนี้พ่อกูก็สงบเย็นเหมือนเก่าแต่คนที่ยังไม่มีกําลังจิตแล้วเนี่ยโอ้ยวุ่นวายไม่ชอบเพราะเราให้ไม่ได้ต้องฝึกให้ข้ามพ้นชอบไม่ชอบนะข้ามพ้นอัคติไม่งั้นเราจะพลาดโอกาสในการสร้างทานบารมีนะอันนี้เราก็ต้องเตรียมรับนะตอนนี้รู้สึกทางคุณเมธีที่ดูแลเแมธีปฐมหรืออะไรก็ขับเคลื่อนแล้วนะ ถึงจะเอาท่อปูนมาทาสีอะไรบ้างจริงๆสิ่งนี้พ่อครูไม่ใช่ชอบไม่ชอบเรามาทางที่เราไม่ต้องปรุงแต่งแต่เนื่องจากว่าเราทำกับเด็กๆโอเคทำไปสนุกสนานมีความสุขมันแต่ต้องเรียนรู้นะก็วันนี้ถือโอกาสมอบภาระหน้าที่นะกลุ่มปถมดูแลพืชผักในท่อซีเมนต์และต่อไปคนมาดูงานเนี่ยต้อง ชี้แจงเขาได้นะไม่ใช่สักแต่ว่าปลูกอย่าปลูกเยอะๆมีแต่จะเอาปริมาณมากแล้วคุมไปไม่ถึงปลูกนะมันง่ายแต่ดูแลรักษามันไม่ง่ายก็ฝึกว่าทุกคนนี่มีสความตั้งมั่นเสมอต้นเสมอไปลายไหมนะเพราะครอบครัวเราใหญ่ขึ้นมีหลายปากขึ้นนะเราก็ต้องมีแหล่งอาหารมากขึ้นนะส่วนในการปลูกในท่อนั้นก็เป็นเป็นอีกแนวหนึ่ง นะไม่ต้องเปสูตรสมเด็จเพราะว่าแต่ละแห่งพื้นที่มันไม่เหมือนกันบางทีเราไปต่อสู้กับไอ้พื้นที่มันเลวร้ายเราเป็นนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่แล้วก็สู้ตายจริงๆคือมันได้ไม่คุ้มเสียนะทีนี้ไอ้ท่อนนั้นน่ะเราเลือกหน้าดินดีๆลงมาแล้วก็ฝนตกมันก็ไม่ชะหน้าดินออกปุ๋ยก็ไม่แล้วก็ไม่เปื้อนน้าอันนี้ก็เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งนะต่อไปเราปลูกข้าวบนก้อนหินก็ได้นะเพียงว่าไอ้ตัวนี้ก็เป็นแนวทางหนึ่ง ซึ่งเป้าหมายตรงนี้แหละทางกองทัพเขาต้องการให้คนลาวแถวนวล น, นี่ยเขามาเรียนดูนะแล้วก็ถ้าที่นี้เสร็จปุ๊บเนี่ยทางกองทัพก็ไปส่งเสริมทางลาวเขาเปิดจุดหนึ่งที่นู้นนะอันนี้ก็เล่าพวกเราฟังมกที่นี้พ่อกูในหลวงพูดเองนะพระองค์พูดตลอดเวลามาการพัฒนาเนี่ยต้องเริ่มจากลากเงาสิ่งที่มันมีอยู่ นะแล้วก็พัฒนาให้มันดีขึ้นไม่ใช่เป็นล้มล้างของเก่าคนคิดทุกวันนี้นะโลกตอนนี้เป็นอย่างนี้นะเดี๋ยวพระครูจะเล่าอีกเรื่องหนึ่งมามันจะเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่เลยนี่มนุษย์เราเนี่ยความอยากเนี่ยนะจนทำลายของเก่าสร้างของใหม่มันไม่มั่นคงนะในหลวงพระองค์เตือนเราตลอดเวลาเนี่ยการพัฒนาต้องเกิดจากรากเงาเดิมแล้วก็สร้างสรรค์ เหมือนศาลานี้เราเห็นไหมนะถ้าพ ก, กูโง่พ ก, กูเคยโง่ามาแล้วมันไม่ใช่เรื่องโง่ไปโง่ในเวลานั้นเหตุศาลานี้ต่อต่อสี่ครั้งแล้วนะก็มันไม่มีคนเยอะทำใหญ่ทำไมก็แค่นี้พอนะที่นี้ทำแล้วเนี่ยเราก็เรียนรู้ไปด้วยเมษามันร้อนมากอุตสาหยกแล้ครั้งหนึ่งนะไยกเราครั้งหนึ่งมันก็ยังร้อนอยู่ ใส่สปริงเกอร์แล้วก็แล้วพัดลมแล้วก็แล้วแล้วตอนเมษานี่ไฟฟ้ามันเขาใช้กันเยอะมากเปิดพัดลมใหญ่ก็ไม่ได้นะทีนี้บอกว่าในไหนชีวิตเราต้องอยู่ที่นี่โดยเฉพาะคนที่อยู่ประจำที่นี่ศาลานี่คือส่วนใหญ่ของชีวิตเราอยู่ที่นี่นะหลายคนก็เป็นห่วงพ่อครูพ่อครูไม่เป็นไรหรอกอดทนได้เรานะอดทนได้นะแต่ถ้าทาอะไรที่มันไม่ต้องอดทนดีไหม นอกจากเราไม่มีกําลังทํานะเหตุปัจจัยเวลานั้นเราก็ทําแบบนั้นประสบการณ์ความรู้เราแค่นั้นนะเราก็ทําแค่นั้นแต่ตอนนี้ผู้คนมากขึ้นเราก็ขยายนะเราก็ยกขึ้นอีกพวกครูไม่ให้เอาเอาเหล็กเก่าออกเลยนะให้เป็นการเตือนสตินี่นการพัฒนาจากของเก่าทีนี้เราต้องแบ่งงานทําเนาะ มีหลายกิจกรรมที่นี่พราครูก็ไม่ต้องการให้กระทบของเก่าวิถีชีวิตที่เราปกติในไห น, นก็จะเปิดศูนย์ให้มันกว้างขึ้นนะเพื่อช่วยเหลือแก้ปัญหาโดยเฉพาะสมัยก่อนแล้วคนไทยคนจนเยอะอยู่แต่ตอนนี้กายพัฒนาเป็นกลายเป็นคนยากจนนะเยอะมากนะพราครูก็เห็นว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเป็นคำตอบนะไม่ใช่ทางเลือก เป็นทางลอดของประเทศไทยของโลกส่วนโลกเราไม่กล้าคิดประเทศไทยก็ไม่กล้าคิดหรอกมันเปลี่ยนคนไม่ได้ท่านหละ่ะเขาอยู่บันสะดวกสบายฟุงฟฟ้งเฟอ้อฟุ่มเฟือยนะนะกินทิ้งกินคว้างในขณะที่คนหลายคนไม่มีจะกินนะหลายปีก่อนญาติธรรมใจดีไปกรุงเทพมาเห็นเด็กที่นี่นะเคยซื้อรองเท้าแตะมาให้เขาปุ๊บใส่ได้วันเดียวปุ๊บมันก็หายเลย เขาบอกยี่ห้องไม่ดีเขาใส่รองเท้าหนังแท้ยิ่งใส่ก็ยิ่งหนาไม่ใส่แล้วบางคนก็ส่งวิตามินมาให้เห็นเด็กที่นี่พวกครูบอกว่าเด็กที่นี่ไม่ใช่ขาดวิตามินนะเด็กที่นี่ขาดอาหารคือบางทีเราใช้ชีวิตแบบตอนนั้นเราไม่รู้ข้อเท็จจริงแต่องค์ในหลวงราชการที่เก้าเราพรองค์รู้ของจริงเพราะพระองค์ไปคุกคี เข้าถึงพระองค์ก็เข้าใจรู้ต้นเหตุของปัญหานะพระองค์ก็แก้ไขให้ขนะองพวกเราแค่เอาพระองค์เป็นตัวอย่างแล้วก็เอาแค่เลี้ยวนิดหนึ่งของพระองค์ในชีวิตเรานี่จะยิ่งใหญ่นะยิ่งใหญ่ไม่ใช่ทํางานใหญ่นะไม่ใช่อันนั้นลายสาระสําหรับพระครูพระครูหนีมันมา <c oughs> นะทํางานใหญ่ตายไปแล้วก็สนหนึ่งหนึ่งก็เอาไปไม่ได้ไงเห็นไหม ในหลวงเราเนี่ยสิ้นพชนจากเราไปตอนนี้เนี่ยเลี้ยงแถวกันเข้าไปกราบพระศพก็ยังต้องใช้เวลาตั้งแต่ตีสี่จนถึงมมดเห็นไมนี่คือความยิ่งใหญ่แต่ทุนนิยมมันสอนเราว่าวัตถุนี้ยิ่งใหญ่อันนั้นไม่ได้ยิ่งใหญ่เลยมันกลายเป็นเรื่องไร้สาระนั่นแหละศูนย์เราต้องทำเรื่องยิ่งใหญ่และทุกคนต้องมีสำนึกนะตื่นขึ้น ครอบครัวเราใหญ่ขึ้นเราต้องช่วยกันรับแขกต้องอนุโมทนาที่เขามาศูนย์ให้เรามีโอกาสได้ให้ทำทานนะแล้วก็วันที่20่สหรือนี้เนี่ยพี่พัฒจะมากรุงเทพหลายปีก่อนแกนบอกพ่อกูแล้วพ่อกูยังยังยังยงนะเขาก็ผลิตเอนไซม์แล้วก็เป็นน้ำยาอนเนกประสงค์นะ ก็ส่งมาเป็นช่วงๆแต่ตอนนี้พ่อกูกมาได้แล้วนะก็ดูว่าเขาจะมาสอนวิธีทําเอนไซม์และวิธีผสมที่ว่าน้ํายาอเนกประสงค์นี่คือว่าเรามาถูพื้นก็ได้อยู่ที่เข้มข้นเราจะผสมเท่าไหร่ไปล้างถ้วยล้างจานก็ได้ไปซักผ้าก็ได้นะเออเอาไปให้ถ้าคนชาวบ้านเขาเลี้ยงหมูเลี้ยงอะไรเนี่ยเอาเอาผสมน้ําให้เขากินเนี่ย ขี้หมูจะไม่เหม็นหลายปีก่อนในไร่แหลมทองพ่อ ก, กูก็พาเขาทำนั่นแหละแต่ตอนนี้ก็เป็นฐานเรียนรู้อย่างหนึ่งซึ่งลาวต้องการมากนะลาวที่ผ่านมาหลายปีก็ถูกหลอกหลอกยังไงดูไหมเออมหาอำนาจนะเขาบอกเขามาเขาจะมาช่วยกันลงทุนพัฒนาเขาก็ที่ที่ทางเพราะลาวในประเทศเขาในประชากรเขาน้อย เขาเอาที่หนึ่งเป็นพันพันเป็นหมื่นไร่เลยนะนะมาปลูกกล้วยไงแล้วก็เอาสารเคมีนีม่มาใส่เต็มเลยเที่ยวนี้น้ําท่วมลาวปุ๊บเนี่ยสารเคมีลงไปแม่น้ําโขงเนี่ยปลาลอยตายหมดเลยบังเอิญว่าผู้บริหารบ้านเมืองเขาเร็วนะเขาก็มีมติเลยต่อไปนี้เนี่ยไอ้ที่เผือไปทําสัญญาเขาไว้แล้วต่อไม่ไ ม, ไม่ไม่ต่อสัญญาเห็นไหมคาว่าทุนนิยมเขาไม่ใช่คนชั่ว เขาเรียนเพื่อเป็นทุนนิยมที่ไหนก็สอนให้กําไรนั่นแหละแต่แบบกาไรแบบบ้าคั่งนะเหมือนตอนนี้เมืองไทยเองไม่ใช่ทุนอื่นมาหลอกคนไทยนะคนไทยกำลังหลอกคนไทยกันเองนะพ่อครูอยู่กับชาวบ้านรู้ว่าเขาจนเพราะอะไรเขายากจนเพราะอะไรนะไอ้คำว่าเสลีอ้างว่าเสลีมือยาวสาวได้สาวเอา ไอ้ผู้ด้อยกว่ามันไม่มีกำลังต่อรองก็ตายเห็นหข้าวตอนนี้เกลียนหนึ่งห้าพันะหเจั 6, 7, 000, นะแต่ว่าอยู่ในมือในทุนปุ๊บนี่ส่งออกนะร้อยกิโลข้าวสารเนี่ยสองหมื่นะ 20, กว่าบาทนะคือกำไรก็กำไรแต่มันกำไรมากเกินไปจนคนจนเขาอยู่ไม่ได้ เราว่าโอ้ดีใจดีใจเราส่งออกข้าวอันดับหนึ่งของโลกถ้าพกูผลิตโรงงานนะถ้าพกูส่งออกอันดับหนึ่งของโลกพกูต้องเป็นมหาเศรษฐีแต่ตอนนี้ชาวนาเป็นผู้ผิดข้าวนี่จนทั้งประเทศนะทั้งหมดก็คือว่าส่วนหนึ่งคนขาดสำนึกถ้าคนขาดสำนึกไปทำอาชีพอะไรมันก็ขาดสำนึกหมดและนะธุรกิจเราค้าก็เพื่อกาไรเป็นเรื่องปกตินะแต่ถ้ากาไรแบบ ไม่ยึดหลักพอเพียง น, ะนะ่ะเพราะครูบอกนะคนรวยๆนั่ น, นถ้าอยากไม่ไมอยากตกนรกนะถ้าไม่อยากตกนรกน ะ, นะต้องทําเศรษฐกิจพอเพียงเพราะครูก็บอกพวกเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาเนี่ยบอกว่าพวกครูเคยเป็นคนรวยมาแล้วยากรวยไม่ใช่รวยแล้วไม่ยากนะยิ่งยากกว่าจนอีกเพราะความกังวลมีเยอะคู่แข่งมีเยอะ นะพอได้มาดีใจสองวันก็ยากอีกเพราะอะไรอยากรวยขึ้นไงกลัวสู้มันไม่ได้แต่พ่อกูประกาศแรงๆเลยคืนวันวั น, วนที่สิบห้านี่นะเขามาประชุมกันสี่ห้าสิบคนนะเขาก็ถามปุ๊กว่าที่นี่ค่าหัวเท่าไหร่พรอคกูบอกพ่กคูเป็นเจ้าภาพขอบคุณที่มานะนี่เป็นหน้าที่ของมูลินที่เราอยู่แล้วนะก็ ในอดีตเคยเป็นคนรวยแค่เป็นคนรวยนะแต่ปัจจุบันนี้ยี่สบแปดปีนี่เป็นเศรษฐีตัวจริงตอนนี้เมืองไทยคนรวยมีเยอะมากแต่เศรษฐีไม่ค่อยมีไม่มีเศษส่วนเกินเพื่อจะแบ่งปันตกนรกเพราะว่าทรัพยากรในสังคมมันมีข้อจํากัดคุณเอากําลังที่มากกว่าเนี่ยมาดูดเข้าตัวเองหมดในขณะที่คนอื่นไม่มีจะกินบาปกรรมนะไม่ใช่เขาไม่รู้รู้ทั้งรู้ แต่ชั้นเรียนทฤษฎีนี้มาว่าฉันต้องเอาให้เยอะที่สุดมันถึงความมั่นคงนะตอนนี้กลายเป็นว่าปลาใหญ่กินปลาเล็กใหญ่เล็กกินเรียบขายมันทุกอย่างตั้งแต่เข็มถึงอะไรหมดเลยถึงดาวเทียมนี่คือสังคมซึ่งไม่มีคุณธรรมแล้วถ้าเราเป็นส่วนหนึ่งตรงนั้นเราเรียกว่าร่วมสังกกรรมพอเกิดเหตุอะไรขึ้นเนี่ยเราต้องรับกรรมร่วมตรงนั้นแน่นอนนะก็พวกเราชาวศูนย์ ก็ต้องเตรียมตัวแต่พระครูพยายามจับไปอยู่ในโซนโน้นนะที่โน้นก็จะทำครัวมันไม่ใช่ทุกวันนะเป็นกิจกรรมปุ๊บเราก็ไปทำให้เขาทานข้าวที่โน้นพักอยู่แถวโ น, น้นทำกิจกรรมอยู่แถวโ น, น้นเราต้องทำให้ศูนย์ในเกิดประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองกับมนุษยชาติมากขึ้นเพราะตอนนี้เนี่ยสมัยก่อนพระครูไม่ขยับนะเพราะว่าพระครูคนเดียวนะบุคลากรเราก็ไม่เยอะ ตอนนี้เราก็มีลูกหลานนะภาวนาตัวมาบวชชีบวชเนนที่นี่ทุกคนต้องแบ่งหน้าที่กันนะเฉพาะวันนั้นพ่อครูเขียนให้ช่างเขาว่าเตรียมอะไรพ่อครูมีประมาณสิกิจกรรมเราทำมาหมดแล้วทำไมก่อนแต่ตอนนี้ต้องรื้อฟื้นอีกแต่ว่าประสบการณ์เราก็รู้แล้วว่าไอ้ที่ว่ามาดูงานชัดๆไปเลยเนี่ยไม่ต้องเข้ามานะไปต้อนเข้ามา ไปต้อนชาวบ้านมาดีไม่ดีหน่วยงานพิบูมาณจ่ายเงินให้ด้วยนะให้มาเพื่อเสร็จแล้วได้ผลงานแล้วกลับไปเพราะว่าตอนนี้พวว่อครูไม่รับแบบนั้นนะก็คือมาแล้วต้องให้มันได้อะไรจริงๆอันนี้ก็เล่าให้พวกเราฟังนะก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือส่วนวันที่ยี่สิบิเอิบสองนี่แหละเขามาอยู่สี่ห้าวันพิพัดเพิ่งกลับไปนะเพิ่งกลับไปพอดี พูกบอกวระครูต้องการแล้วแกก็จะมาแล้วก็ใครที่คิดว่าตัวเองสนใจมันเป็นความรู้ติดตัวอันนี้มีประโยชน์มากนะเอนไซม์เอนไซม์นี่มันพัฒนาไปอย่างอื่นเยอะแยะเลยนะเป็นปุ๋ยชีวภาพก็ได้นะผสมกับสมุนไพรวางอย่างปุ๊บเป็นที่นี่เราไม่ฆ่าสัตว์นะนะป้องกันมแมลงไม่ใช่ฆ่ า, มาแมลงอะไรเนี่ยนะตอนนี้ไม่ใช่เมืองไทยเราทั้งโลกเนี่ย เป็นมะเร็งเยอะมากเกิดจากสารเคมีส่วนหนึ่งอันดับแรกก็คือความเครียดของผู้คนความเพียรเป็นเกิดจากอะไรเกิดจากทฤษฎีทุนนิยมแข่งขันเสรีวัตถุนิยมเพราะคนไม่พอเพียงนะถ้าเราพอเพียงปุ๊บเราจะเป็นเศรษฐีทันทีเราจะมีส่วนเกินทันทีเลยทุกวันนี้อย่าว่าแต่เงินทองนะนะไม่แบ่งปันนะความรู้ยังไม่ให้เลยลิขสิทธ เพราะมันขายได้ไงพนะ้าโดโอกาสในการสร้างบา ร, รมีสร้างอริยทรัพย์แล้วก็ตัวเองก็เครียดเพราะว่าเราเก่งคนอื่นเขาก็เก่งเรามีทักษะเขาก็มีทักษะนั่นแนหะนั่นคือกรรมที่เราไม่พอเพียงนะในหลวงไม่ใช่ธรรมดานะก็หลายปีมามีนักวิชาการเนี่ยมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงพออยู่พอกินพอใช้ พ่อครูบอกว่าบิลเกตยังไม่พอเลยใครจะพอมีแต่พูดเรื่องวัตถุนะพออยู่นะมีบ้านไงเออต้องมีพอกินมีอาหารก็เป็นวัตถุพอใช้ก็วัตถุใช่เศรษฐกิจพอเพียงต้องเริ่มต้นจากพอใจเพียงแค่มีมีมากก็พอใจมีน้อยก็พอใจแต่ไม่ได้ไปว่าพอแล้ว ในหวงเราก็สอนให้มีความเพียรพระพุทธเจ้าก็สอนให้มีวิทยะนะขยันขันแข็งทาต่อไปเพื่อเราจะได้เป็นเศรษฐีนะปีก่อนมีเด็กคนหนึ่งพึ่งสอบเข้ามาหาวิทยาลัยได้บังเอิญมาปฏิบัติวันที่จะกลับมาลาพ่อครูพ่อครูบอกลูกพ่อครูแลกเปลี่ยนหน่อยเรียนไปทำไมเขาก็นั่งคิดว่าหนูไม่เทเรยเทยาน เพื่อเอาตัวรอดบอกแค่นั้นเถอะบอกแค่นั้นจริงๆอ่ะไม่ต้องเรียนหรอกลูกไปเป็นทาสานเอาตัวรอดไปเป็นลิงเอาลอดแล้วถ้าแค่เอาตัวรอดไม่ต้องเรียนเรียนให้มันโง่ทำไมเหม็นไ้มเราเป็นสัตว์ประเสริฐเราเป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐถ้าเราต้องการพัฒนาเรียนอะไรก็ช่างเพื่อให้มีมส่วนเกินเพื่อแบ่งปัน ตอนนี้มนุษย์เราแค่คิดว่าเอาตัวรอดแล้วสุดท้ายไม่มีรอดสักคนหนึ่งเพราะต้องตายกันหมดทุกคนนะตอนเช้าเราฝึกดีก็ตายชั่วก็ตายจนก็ตายรวยก็ตายฝึกตลอดเวลาเพื่อเตือนสติแต่ไม่ใช่ทุกคนไม่ทํางานทุกคนต้องมีสัมมาอาชีวะต้องมีอาชีพนะเนี่ยเศรษฐกิจมันถึงเวลาถึงรอดพวกเราแล้วพวกเราจะด้วยช่วยกันทํางานจันลงแล้วก็บวชให้ในหลวงแล้วนะ ตอนนี้เราต้องสารต่อปณิธานของพระ อ, องค์นะเป็นกุศลอย่างยิ่งและถ้าเราทําได้จริงๆเราเองนั่นแหละจะไม่ทุกข์เราเองจะเกิดความมั่นคงทุนนิยมบอกต้องมีเยอะๆก่อนค่อยมั่นคงเพราะมันหลงไงคุณวิวเกียติยังไม่มั่นคงเลยนะมีเงินอันดับหนึ่งของโลกยังไม่มั่นคงเลยเขายังกลัวที่จะแพ้ถ้าเขาพลาดอะไรอย่างนี้เขาล้มละลายได้นะหลายปีก่อนโยงเมกาบริษัทเวิลด์คอม ใหญ่อันดับสองของโลกนะล้มละลายพวกคุยอยู่อเมริกาอยากได้เงินก็มีเงินอยากซื้ออะไรก็ซื้อแต่ไม่รู้สึกมั่นคงเลยกลัวตลอดกลัวว่าเราจะแพ้กลัวว่าเราจะสู้เขาไม่ได้กลัวว่าเราจะได้กว่าเขาไม่เคยมั่นคงแต่ยี่แปดปีอยู่ที่นี่มั่นคงทุกวินาทีไม่มีความรู้สึกกังวลอะไรเลยเห็นไหม ก็ไม่ใช่ที่ว่าพูดเล่นๆไม่ใช่พูดเล่นๆก็พูดจริงๆนั่นแหละนะศูนย์นี้ไม่มีล้วรอบขอบชิดไม่มีของหายแม้แต่หนึ่งอย่างนะแต่มันจะาจหายทุกวันนั่นแหละอาจจะหายทุกวันแต่มันไม่ใช่ของพ่อครูไงเนี่ยพ่อครูมั่นคงมั่นคงมากเราอยู่ที่ไหนเราก็สร้างสังคมนั้นสร้างชุมชนนั้นเรามีบ้านเราก็ดูแลบ้านถ้าเราทําบ้านสกรปรกแล้วเนี่ยก็โรคภัยไข้เจ็บแล้วก็ไม่สบายนะ มีบ้านก็ใช้บ้านนะเป็นที่หลบแดดหลบลมหลบฝนแต่ไม่ใช่ไปหลงบ้านสร้างบ้านแล้วก็ไปกลับบ้านไปเฝ้าบ้านพอขโมยเข้าบ้านฉันก็เลยทุกไงเพราะยังมีบ้านฉันไงนะมีบ้านไม่ใช่ไปเผาบ้านทิ้งแล้วก็อยู่กับมันใช้มันประโยชน์ตอนนี้เราอยู่ศูนย์บาลานค่อยไอที่แปลงนี้เนี่ยเออวันนั้นก็มีฝรั่งมาจากเยอรมัน ที่พ่อครูมีเท่าไหร่บอกพ่อครูไม่มีที่ไม่ใช่ของพ่อครูแต่เราอยู่ที่ตรงนี้เราก็พัฒนาที่ตรงนี้ให้มันเกิดประโยชน์ต่อมนุษยชาตินั่นแหละเมื่อไม่ใช่ที่เราโอ๊ยที่ฉันนะพราะเพอเพอปุ๊บเราไปเที่ยวที่อื่นกลับมาไอ้ข้างบ้านมันล้อมลวงแว บ, บขโมยที่เราไปหนึ่งเม็ดทุกมากเลยว่าเธอมาเอาที่ฉันเนี่ยเพราะเราบาปนะ เพราะเราผิดศีลไงเราต้องรับกรรมผิดศีลอย่างไงก็ที่ฉันจริงๆดูในชฉนดนี่ของฉันเลยนะก็นั่นแหละคุณบาปนะคุณไปขโมยที่ธรรมชาติเป็นของคุณไงเราขโมยแล้วนะเด็กๆขโมยนี่ผิดศีลข้อไหนรู้ลักขโมยผิดศีลแล้ว มันไม่ใช่ของเราโดยเฉพาะเออไม่จะบอกที่ทางเอาตัวเราเนี่ยตัวของฉันไงตัวของฉันไงนี่แหละผิดศีลแล้วนะพอเขาตีฉันฉันก็เลยทุกไงี้เนี่ยคนผิดศีลไม่ใช่ของเราสักอย่างหนึง่งเราเกิดมาตัวเปล่าเรากลับไปตัวเปล่าเราจะเอาแม่แต่เข็มอันนึงไปไม่ได้ธรรมชาติบอกอย่าค้ากําไรเกินควรไม่ใช่ของคุณเห็นไมเอาเราไปเผา กลายเป็นอากาศธาตุที่เหลือเป็นธาตุดินเห็นหมเรามาวิญญาณวิญญาณเราก็กลับไปนะแต่เราบวงว่านี่บ้านชั้นที่ชั้นของชั้นนะเมื่อถูกเขาขโมยเขาเขากวงไปชั้นก็เลยทุกเนี่ยเราต้องรับกรรมเพราะเราผิดศีลแต่เราอยู่สังคมใดชุมชนใดนะเราก็ต้องมีหน้าที่สร้างสรรค์ชุมชนนั้นเพื่อแบ่งปัน หนาจำไว้นะไม่แค่เอาตัวรอดถ้าเอาตัวรอดเนี่ยเราไปเป็นลิงไปเป็นทาสานก็เอาตัวรอดไม่ต้องไปเรียนหนังสือให้มันทุกยากไม่ต้องไปแข่งขันมีเจ้านี่ลูกนี่เราเป็นสัตว์ประเสริฐเราเป็นมนุษย์ผู้ยิ่งใหญ่เราต้องทําให้เรามีส่วนเกินเพื่อแบ่งปันต้องเป็นเศรษฐีอย่าไปเป็นคนรวยคนรวยไล้สาระทะเลาะ ก, กันอยู่ตรงนั้นแหละ เวลาจนๆฉันป้อนเธอเธอป้อนฉันฉันรักเธอเธอรักฉันฉันเข้าใจเธอเธอเข้าใจฉันพอรวยมาเนี่ยต่างคนต่างไปแล้วมันจะรวยมาทำไมฮะอันนี้ยิ่งรวยยิงโง่นะนะอย่าไปเป็นคนรวยเป็นเศรษฐีให้มันมีเศษส่วนเกินเพื่อสร้างอริยทรัพย์เป็นทางเดียวที่จะพ้นทุกข์ฟังในหลวงเยอะ เนี่พ่อครูก็บอกเขาแล้วว่าพ่อครูเคยรวยมาแล้วแต่มันไล้สารละทุกวันนี้เป็นเศรษฐีเพราะพ่อครูเข้าถึงเศรษฐกิจพอเพียงเมื่อเราพอเพียงแล้วเนี่ยทุกอย่างเป็นส่วนเกินหมดเห็นไหมบิวเกตยังไม่พอเพียงพ่อครูขออนุญาตเอ่ยชื่อของบิวเกตไม่มีเจตนาลายอัญเชิญคุณบิวเกตมาเป็นครูถ้าเราบอกว่าองค์คุรีมานปุ๊บเนี่ย โอ้หมายถึงไอ้คนที่มันฆ่าคนเก้าคนเอานิ้วมาแขวนกอเห็นไม้มเขาเรียกว่าบุคลาธิฐานแล้วพูดถึงบุคคลบิลเกตคือสัญลักษณ์ของความมาั่งคั่งของความรวยนะชีวิตเราไม่ได้เกิดมาเพื่อรวยเพื่อจนนะเนี่ยีต้องพูดมากหน่อยหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวสิ่งที่มันเกิดขึ้นถ้าพวกเราไม่ทันเนี่ยมันจะกระทบความ ความเคยชินของเราเพราะคุูไม่ใช่ว่าปกติความปกติสุขเนี่ยนะวุ่นวายแค่ไหนแล้วก็ปกติสุขแต่กิเลสความเคยชินฉันอยู่ดีๆของฉันเธอมาทำเสียงดังฉันวุ่นวายหมดนั่นคือคนให้ไม่ได้อันนั้นไม่ใช่ปกติอันนั้นคือปกติของกิเลสถ้าจิตเข้าถึงปกติสุขจริงๆแล้วเนี่ยเสียงดังก็สงบสุขเงียบก็สงบสุขนะอยู่คนเดียวก็สงบสุขคนเยอะๆมาก็สงบสุข ไอ์เวอร์ชันที่เราทำเนี่ยเสียงดังมากเราเต้นคนเป็นร้อยเลยเนี่ยเห็นไหมอันนั้นเราวิเวกนะเราอยู่ในจิตเรานะเราสงบสุขอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่วุ่นวายได้ต้องสู้ความจริงไม่ใช่ไปห น, นีนั่งเงียบๆอยู่ในป่าคนเดียวบอกฉันสงบสุขอันนั้นของเกของปลอมมันแค่สงบเงียบเฉยๆแต่มันไม่ได้สงบสุขนะอันนี้ก็ก็ให้เข้าใจนะก็ ช่วยกันคนละไม้คนละมือเราอยู่แบบครอบครัวใหญ่นะก็ถึงเวลาแล้วถึงเวลาจริงจริงเพราะบังเอิญท่านใน ห, หลวงท่านยังทรงแข็งแรงยังอยู่เหมือนเก่าเนี่ยหน้าที่ยิ่งใหญ่นี้ท่านก็ขับเคลื่อนนะเมื่อท่านจากไปแล้วในฐานะเราต้องดูแลบ้านหลังใหญ่เราเนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยแล้วประเทศไทยก็ต้องเชื่อมโยงกับเพื่อนบ้านเราต้องแบ่งปันนะ พวกเราฝึกละแล้วกําลังฝึกไงเด็กๆอยู่ในวัยกําลังกินกําลังเที่ยวเนี่ยมาฝึกมาเล่มาเรียนการศึกษ า, ามาเรียนรู้อะไรดูการอยู่แบบสมมะถะเรียบง่ายนี่คือการศึกษาไม่ใช่ไปนั่งช่องวิจารณ์วิชานี้นะนะเล่า n ิ่งบ่ายดูอเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริงมาใช้ชีวิตที่สัมมะถะเรียบง่าย เห็นนี่นี่คือการศึกษานะนี่คือเราก็อยู่ได้ไงไม่เห็นเดือดร้อนอะไรเห็นไหมแต่ถ้าเด็กๆอยู่ในเมืองเพื่อนก็มีมือถือฉันก็มีมือถือถ้าไม่มีปุ๊บอายเขาถ้าไม่มีไม่กล้าไปโรงเรียนนะสังคมใดภาษาเป็นแบบไหนเราก็เป็นภาษาบ่งบอกนิสัยภาษาวัตถุนิยมอยู่ในเมืองเ็าพูดถึงเรื่องวัตถุนิยมก็เอามาโชว์กันอวดกันไง เราก็เป็นแบบนั้นแต่อยู่ที่นี่เราได้ยินภาษาธรรมทุกวันแลวเราก็ทำทุกวันจริงๆนี่คือการศึกษาแต่ทุกคนอินทรีย์ภาระไม่เท่ากันบางครั้งพวกครูมีแต่เตือนสติแต่เตือนแล้วทาได้แค่ไหนก็เป็นเรื่องนาน า, นาจิตตังนี่นี่คือการศึกษาแล้วช่วงนี้มันแรงเลยนะการศึกษาโลกกาลังจะเปลี่ยนนะ ลายอาทิตย์ก่อนพ่อปูพูดถึงเรื่องตอนนี้เขาใช้หุ่นยนต์ละนะถูกมากนะบังเอิญว่าหุ่นยนต์รุ่นนี้เมืองไทยเป็นคนผนะลิตนะนิขสิทธิโดยมหาวิทยาลัยแล้วพ่อปูจําไม่ได้แล้วญี่ปุ่นมาสั่งซื้อหลายตัวแสนบาทเองแสนบาทเองญี่ปุ่นเอาไปใช้เดือนหนึ่งมันก็คุ้มแล้วทำไมไม่ต้องลาป่วยไม่ต้องลาคลอดไม่ต้องเข้าห้องน้ํา แล้วมันพูดได้ห้าภาษาด้วย yeah. แล้วพูดภาษาไทยพวกมันตอบภาษาไทยเลยเห็นไหมเขาซื่อสัตย์มากเขาไม่เดินไปเที่ยวหนีไปไหนเขาก็นั่งอยู่ตรงนั้นแล้วต่อไปพวกเราจะมีงานเห็นไหมทุนนิยมเขาเขาคิดว่าโอ้จะสร้างงานช่วยเหลือมนุษย์หรือไม่เนื่องจากการแข่งขันเสรีเขาพยายามจะลดต้นทุนของเขาเธอก็ลดชั้นก็ลดฉุดท้ายแล้วเนี่ยมนุษย์กําลังทําลายมนุษย์ และคนที่ด้อยกว่าต่อไปเขาจะไปอยู่ยังไงยิ่งมาหลอกเราว่าเนี่ยทำให้ต่างชาติเขาเชื่อมัน่นเขาจะได้มาลงทุนเมืองไทยนะเมืองไทยจะได้เจริญอันนี้โกหกถ้าการลงทุนเป็นการช่วยชาติแล้วเนี่ยเขาก็ลงทุนในประเทศเขาสิเขาจะมาโง่ลงทุนให้ประเทศเราทำไมล่ะ <c oughs> เขามาลงทุนประเทศเราเขาปล่อยบนภาวะที่นี่เขาไม่ต้องรับผิดชอบเขาก็จ้างลแรงงานถูกถูกนะ เมืองไทยก็ต้องไปขายข้าวราคาถูกแลกเป็นเงินดอลล่าร์ไปซื้อเชื้อเพลิงน้ํามันมามาผลิตไฟฟ้าให้เขาเขาไม่ได้โง่เพราะความอยากของเราถูกในทุนเขาหลอกทุนนิยมนะพวกคุณบอกกลับมาเป็นไทยมาเตะตะก้อมาชกมวยไทยกีฬาเป็นยาวิเศษมันก็แข็งแรงได้เหมือนกันถ้าเล่นกีฬานะ ถ้าเล่นกีฬาตอนนี้มันไม่เล่นกีฬามันแข่งกีฬาแข่งกีฬาเป็นยาพิษแล้วนะเครียดเห็นไหมทั้งหมดก็คือเราไม่เคยศึกษาวิชาชีวิตเราคิดนอกกรอบไม่ได้เรารู้เราเราหลงว่าเรารู้สร้างอัตตาขึ้นมาเราก็รู้เท่าที่รู้นั่นแหละเราอาจจะรู้มากแต่เราไม่รู้จริง พวกคเคยถามว่าเออนาฬิกาเนี่ยเลขสูงสุดเท่าไหร่ทุกคนตอบปุ๊บเลขสิบสองสิบสองไงจริงๆเลยเลขสิบสองถามว่าเลขหกถึงเลขสิบสองกี่นาทีสามสิบนาทีเลขหกถึงเลขหกกี่นาทีหกสิบนาทีตัวนี้นมันมากกว่าสูงสุดคืนสู่สามัญวิชาการเราเรียนรู้ครึ่งเดียวไงแต่เราไม่รู้รอบเรื่องกฎแห่งกรรม แล้วก็เผลอไปสร้างกรรมโพะสนองความอยากนะอันนี้พ่อครกูก็มีหน้าที่แจ้งให้ครอบครัวใหญ่เราทราบว่าความเปลี่ยนแปลงมันเปลี่ยนทุกวันล่ะศูนย์ไม่ต้องห่วง น, นะแต่เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่หน่อยมันจะเกิดขึ้นอีกแล้วมันต้องเปลี่ยนแปลงต่อไปทีนี้ถ้าคนมีปัญญาเท่านั้นน่ะถึงจะทําให้ความเปลี่ยนแปลงนั้นน่ะเกิดมรรคผลเป็นในทางบวกแต่ถ้าคนไม่มีปัญญาแล้วเนี่ย ความเปลี่ยนแปลงนั้นจะทำให้เราทุกข์แล้วเราจะพลาดโอกาสในการสร้างอริยทรัพย์นะอันนี้ก็แจ้งเรื่องนี้เรื่องหนึ่งส่วนเรื่องที่สองเมื่อคืนเรามีโอกาสชมภาพยนต์พระมหาชนกนะซึ่งเรื่องนี้ในหลวงของเราเป็นคนประพันธ์ขึ้นมา เนื้อหาทั้งหมดเนี่ยพระองค์ทรงปฏิบัติครบถ้วนนะก็พูดตอนหนึ่งมีหลายตอนอันดับแรกเรือล่มนะยังลมมีลมหายใจอยู่ก็ไม่ท้อถอยก็คือไหว้ไหว้ไหว้ไหว้มันจะถึงเมื่อไหร่ก็ช่างมันชีวิตเราบางทีเนี่ยผิดพลาดครั้งหนึ่งอกหักไม่สมหวัง นะหรือแพ้เขาเนี่ยเขาเรียกว่าอับเซตบางทีค่าตัวตายเลยนะแต่พระมหาชนกไม่ตาใบที่มีลมหายใจอยู่เนี่ยพระองค์ก็เพียรพยายามต่อไปเมเมื่อตั้งมั่นทำดีแล้วเทวดาก็มาช่วยนะมีตอนหนึ่งที่เราควรจะเอามาพวกเราดูบางทีเราก็ดูสนุกสนานนะสนุกสนานเป็นเรื่องที่ดี แต่มีดีกว่านั้นนะ่ะไม่ใช่สนุกเฉยๆต้องได้ความรู้ด้วยนะเนื้อหาของเรื่องนี้เนี่ยแฝงด้วยศัจธรรมหลายอย่างนะมะม่วงสองต้นนะต้นหนึ่งออกผลต้นหนึ่งไม่ออกผลก็มะม่วงเหมือนกันไงทำไมต้นนี้ออกผลต้นนี้ไม่ออกผลทําไมก็มันไม่ใชี่ยงไง ไม่ใช่ปลูกมะม่วงแล้วก็ได้มะม่วงนะแต่ไม่ใช่ปลูกมะม่วงจะเป็นมะขามก็ไม่ได้เองนะ <c oughs> ก็เป็นมะม่วงแต่ทำไมต้นนี้มีมะม่วงต้นนี้ไม่มีมะม่วงนะมันไม่เที่ยงถ้าเราไปคำนวณว่าอ้าวฉันปลูกมะม่วงร้อต้นต้นหนึ่งได้เท่าไหร่เท่าไหร่ปุ๊บเนี่ยพอต้นหนึ่งออกต้นหนึ่งไม่ออกปุ๊บตัวเลขที่เราตั้งไว้เนี่ยมันก็ไม่ตรงจริงแล้วก็ผิดหวังไงมันไม่เที่ยงมันไม่แน่นอน ทีนี้พระ อ, องค์ก็ทรงเสวยต้นมะม่วงนั้นหลังจากข่าวว่าอร่อยมากชาวบ้านก็อยากเอาบ้างนะแต่ต้นนี้ต้นมะม่วงสักจิิตอะไรปีนขึ้นมาก็ตกลงไปนะก็เลยล้มมันเลยอยากกินมะม่วงจนล้มต้นแม่มะม่วงเหมือนเราทำกเกษตรสารพิษทุกวันนี้เหมือนกันอยาาเอาลูกมันแรงๆเนะ เล่งปุ๋ยฉีดยานะตัดแต่งกิง่งนะเพื่อเล่งให้แม่ออกลูกเยอะๆเราอยากก็ลูกมะม่วงแล้วก็ทำลายต้นมันเราให้ปุ๋ยเคมีมันก็เหมือนโนเสพยาเสพติดกระตุ้นมันละ่ะถ้าวันไหนมันขาดเมื่อไหร่เนี่ยมันก็อายุสั้นเหมือนกันมหาชนกบอกว่าอืมอยากกินมะม่วงทำลายต้นมะม่วง พระ อ, องค์ก็พิจารณาว่าไอ้ต้นมะม่วงที่มันถูกทําลายเพราะมันมีมะม่วงไอ้ต้นที่ไม่ออกลูกเนี่ยคนไม่ทําลายเลยพระ อ, องค์บอกพระ อ, องค์เลือกที่จะเป็นต้นมะม่วงที่ไม่มีลูกเห็นไหมพระ อ, องค์จะเป็นต้นมะม่วงที่ไม่มีลูกก็ไม่ต้องมีคนมาแย่งชิงเหมือนพระ อ, องค์ว่าพระ อ, องค์คลองลานทรัพย์สมบัติเยอะๆอันนี้นะอันตราย ป้นกันฆ่ากันนะเพื่อจะแย่งจริงเป็นมหาราชพะมหาราชเมื่อกี้แวบขึ้นมานะอันนี้ก็พูดอีกนิดหนึ่งพูดแล้วเขาขอพูดอีกพอนเป็นเรื่องยิ่งใหญ่มากประธานที่บุรีปูตินเขาพูดออกมาว่าในโลกนี้เขาไม่เคยยอมแพ้ใครเขาแพ้คนคนเดียวเท่านั้นคือ k i ง g of ไท a แ l a ด์กษัตริย์ของประเทศไทยพระองค์เป็นมหาราชซึ่งไม่ต้องไปสู้รบตบมือกับใคร พระ อ, องค์เป็นมหาราชในดวงใจของประชาชนคำนี้ดีมากเห็นหมสมัยก่อนเป็นมหาราชต้องไปบุกลุกที่เขาก่อนบุกลุกแย่งชิงเขาแล้วก็ทรับสมบัติเข้ามาเป็นมหาราชผู้ยิ่งใหญ่แต่ไปฆ่าคนไงแต่ในหลวงเราทรงเป็นมหาราชโดยไม่ต้องไปสู้รบตกมือใครไม่ต้องเป็นลังแกใครแต่พระ อ, องค์เป็นมหาราชในดวงใจของปวงชน ไม่ใช่ชาวไทยนะชาวโลกเพราะทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเป็นทางรอดของมนุษยชาติทีนี้มหาชนกบอกว่าท่านจะเลือกที่จะเป็นต้นมะม่วงซึ่งไม่มีลูกแต่พระองค์ยังส่งเสริมให้เพราะพันุต้นมะม่วงที่มันมีลูกเนี่ยและพระองค์บอกวิธีด้วยมีกี่วิธีวิธีวิธีบอกหมด เสียบกิ่งบ้างตอนกิ่งบ้างเอาเม็ดไปปลูกอะไรก็แล้วแต่เพื่ออะไรนี่แหละมันตรงตรงพระราชดำรัสแรกที่พระองค์ขึ้นของราชเราจะคองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแด่มหาชนชาวสยามปลูกมะม่วงให้สมบูรณ์เพื่อให้ลูกหลานพระองค์มีบริโภคพระองค์สร้างปานินขึ้นมาให้คนไทยทุกคนแต่พระองค์ทรงไม่เสวยปานิน นี่คือพระโพธิสัตว์พวกเราเนี่โชคดีมากมีโอกาสเกิดมาเป็นลูกหลานของในหลวงมีโอกาสเป็นลูกหลานของพระพุทธเจ้าไม่รู้กี่ต่ออยู่ที่ว่าเราจะมุ่งมั่นเอาจริงไหมนะดูภาพยามิตรสุขสนานกลับบ้านดีใจเอาตะกิเลศกลับบ้าน มันไม่ได้ประโยชน์อะไรดูแล้วต้องให้มันเกิดปัญญาแล้วก็เอามาใช้กับชีวิตเรานะพระครูถึงบอกว่าเออห้องนี้ไม่ได้ทำอะไรไปเรียกภาษาท้องถิ่นเราว่าห้องในหลวงนะไม่ชี้ไม่ใช่เฉพาะไม่ชี้ปถมมัธยมไม่ชี้ทั่วไปแล้วสา ม, มนเนนนะว่างๆก็เดินเข้าไปอ่านไม่ต้องจำไม่ใช่ไปเรียนวิชาใดนั้นอ่านแล้วก็ทำความเข้าใจ อ่านเขาเข้าอ่านให้มันเข้าใจไม่ใช่ไปจำความรู้นะแล้วชีวิตเราจะเป็นมงคลเอาเวลามาอ่านสิ่งนี้เนี่ยเป็นมงคลไม่ใช่เอาเวลาไปกดกดกดไปอะไรไม่รู้จิตส่งออกไปสร้างอารมณ์ใหม่นะสมัยก่อนพวกครูเครียดทำธุรกิจคิดมาก พ่อครูก็บินไปเที่ยวไปเล่นการพนันไปกินเหล้าไปเต้นลําไปยิงนกตกปลาไปตีกอล์ฟบอกก็ไปผ่อนคลายอารมณ์ไม่ใช่นะไปเพิ่มอารมณ์ใหม่เราไปสร้างอุปท า, านใหม่ที่เราสนุกสนานกิเลสมันชอบมามากบเกินอุปท า, านเก่าเท่านั้นเองอุปท า, านยิ่งมากขึ้นยิ่งต้องการมากขึ้นนะพอไม่ได้ดั่งใจทีนี้ก็ทุกข์ละ ผู้รูเจ้าไม่ทรงทาอย่างนั้นพระองค์บอกให้เราทำดีละชั่วขัดเกลาจิตให้ผ่องใสเอาอุปทานเก่าที่มันมีอยู่แล้วออกไป <c oughs> เป็นทางพ้นทุกข์แต่ของเราเนี่ยเราไปเข้าใจความสุขผิดความสุขเกิดจากการสะใจสะดวกสบายอร่อยนะกิเลสทั้งนั้นน่ะเป็นความสุขจอมปลอมถ้าเป็นสุขก็สุขสุ ข, สขดิบดิบมันไม่ถาวรเราต้องแก้ที่ต้นเหตุ กิเลสทำให้เกิดตัณหาตัณหาทำให้เกิดอุปทานอุปทานทําให้เกิดทุกข์เราก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุของมันนะกิเลสมันทําให้จิตเราเนี่ยมันมัวหมองเห็นไหมอุปทานที่มีอยู่แล้วก็มากมายแล้วยังไปเพิ่มอุปทานใหม่สร้างอุปทานใหม่ความสนุกสนานความเพลิดเพลิน ม, มากบเกินอุปทานเก่าต่านั้นเองนะเมื่อเราปวดหัวนั่นแหละ ก็ไปกินยาพาลามันไม่ได้หายนะมันมันเป็นลังงับประสาทไม่ให้มันไปรับรู้รู้ความปวดนั้นอันตรายมากมันก็สะสมพัฒนากลายเป็นว่าไปสู่ความเครียดนะภูมิคุ้มกันก็ตกต่ำนะโรคภูมิแพ้โรคมะเร็งก็ตามมาอยู่ดีๆไม่ชอบก็ไปเอาข้อมูล เอาข้อมูลการขัดแย้งขึ้นมาแล้วก็ไปเครียดกับเขาแล้วก็ไปด่าเขาสุดท้ายเราไม่ได้แก้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นในบ้านเมืองเลยนะเป็นส่วนหนึ่งของการขัดแย้งอีกเราทําร้ายตัวเองตลอดเพราะเรามีมีเมตตานะในหลวงราชการที่เก้าเราเนี่ยพระองค์เป็นกลางที่สุดเลยนะเพราะพระองค์รักลูกทุกคนพระองค์ไม่แบ่งพวก มีแต่คนบางคนก็ไปอาศัยอ้างโ น, น่นอ้างนี่นะในหลวงพ่อ ก, กูจำไม่ได้แล้วปีไหนได้ต้องไปคนพ่อ ก, กูได้ยินตรงๆเลยที่พระองค์ให้อาวาตนะไปออกกฎหมายกฎหมายฉบับหนึ่งนะพระองค์บอกว่ากฎหมายนี่ทำให้พระองค์เสียคนต่างชาติ เขาเข้าใจว่าพระ อ, องค์อยู่เหนือกฎหมายพระ อ, องค์ไม่เคยเห็นยินดีนะพระ อ, องค์ถึงขั้นนั้นแล้วพระ อ, องค์ไม่หลงติดอย่างเหล่านี้นะเนี่ยพระคูถึงลื้อฟื้นให้ดูว่าในหลวงเราเนี่ยพระ อ, องค์สำเร็จแล้วทั้งทางโลกกับทางธรรมเราโชคดีมากเกิดมาเจอพ่อหลวงนะในไหนเรายังไม่ตาย เรายังอยู่เนี่ยก็ยึดพระองค์เป็นแบบอย่างพระพุทธเจ้านั้นยิ่งใหญ่อยู่แล้วล่ะนะแต่ในหลวงนี่ก็มาต่อยอดเปลี่ยนภาษาสมัยโบราณอะไรให้เป็นภาษาปัจจุบันพอจับต้องได้นะใช้เวลาศึกษาหน่อยชีวิตเราจะดีขึ้นนะเราก็ทำงานเหมือนเก่าแต่อารมณ์เราจะเปลี่ยนใหม่ เปลี่ยนจากความทุกข์ความเครียดความกังวลกลายเป็นความสุขถ้าเราเข้าใจปัจฉญาชีวิตแล้วเราจะทำงานได้ผลมากขึ้นเห็นไหมเรามีความสุขกับมันไงงานไหนก็ช่างนะถ้าเราเข้าใจชีวิตเราจะมีความสุขกับสิ่งที่เราได้ทำนั่นคือการปฏิบททัติธรรมนะธรรมะคือหน้าที่หน้าที่คือธรรมะการทาหน้าที่คือหนทางมุ่งสู่ความหลุดพ้น ไม่ใช่นั่งหลับหูหลับตาฝึกสติสมาธิอย่างเดียวไม่ใช่นะตอนที่ฝึกจิตก็ฝึกจิตออกไปข้างนอกเราก็ทาหน้าที่ข้างนอกอย่างมีสติอย่างใช้สมาธิมีสติมันจะเกิดปัญญาอันนี้ไม่ใช่นั่งทํางานอยู่นะฮลัลโหลจิตส่งออกแล้วนะ วาดรูปอยู่ทนที่จะวาดร้อวาดห้าก็ไปคิดว่าเออวาดเสร็จแล้วฉันจะไปไหนฉันจะไปทําอะไรเออไม่รู้วาดแล้วจะได้รางวัลที่หนึ่งหรือเปล่าเห็นไหมอันนี้ผิดศีนลนะอันนี้ลักขโมยนะคอร์รัปชันเวลานะผิดศีลอีกนะพรุ่งนี้อนาคตสีมันแห้งก็ได้ห้าซแต่ถ้าเราซื่อสัตย์ต่อหน้าที่เราทํามันมีความสุขร้อยเปอร์ซเลยเห็นไหมตั้งมั่นอยู่นั้นนะ่ะ กิเลสมันก็แทรกขึ้นมาไม่ได้อารมณ์ข้างนอกกระทบไม่กระเทือนพรุ่งนี้อนาคตสีแห้งมันได้ร้อยเปอร์ซย่าห่วงอนาคตอย่าห่วงนะแต่เราถูกสอนให้สร้างอนาคตอนาคตเนี่ยก็คนโง่ามาสอนเราเราก็ได้โง่าตามเขาไงอนาคตมีอยู่แล้วพรุ่งนี้อนาคตปีหน้าอนาคตชาติหน้าอนาคตมีอยู่แล้วทุกคนมีอนาคตสําคัญปัจจุบันนี้ทําดีหรือ ย, อยัง อดีตก็ผ่านไปแล้วคิดจนตายก็แก้ไขไม่ได้มานั่งเศร้านั่งเสียใจมันก็ทําอะไรไม่ได้นะไปคิดตั้งนาคคิดยังไงก็ทํำมันไม่ได้ยังไ ม, ไม่ถึงเวลาไอความคิดนั้นสร้างอารมณ์มครอบงาปัจจุบันทําให้งานปัจจุบันเราไม่เต็มร้อยไงนี่คือความทุกข์นะถึงใครเขาว่าตั้งมั่นตั้งมั่นกับสิ่งที่เราทําเป็นหนึ่งเดียวกับมันอารมณ์ข้างในแทรกไม่ได้อารณข้างนอกก็แทรกไม่ได้ นั่นหละเป็นความสุขอย่างยิ่งที่เราทุกข์เพราะเราถูกอารมณ์ครอบงำอารมณ์ทุกข์ก็รู้สึกทุกข์อารมณ์สุขก็รู้สึกสุขเป็นอารมณ์เท่านั้นแหละแต่ถ้าเราเหนืออารมณ์เมื่อไหรน่นี่เราสุขตลอดการเพราะเราไม่กังวลอะไรเลยไม่มีความรู้สึกทุกข์เห็นไหมแต่ถ้าเราเล่นกีฬา น, นเมื่อกี้ทั้งเอ่ยว่าเลยตีก็วพวกคุกเคยตีมาแล้วเนี่ยถ้าเล่นเป็นกีฬาเป็นยาวิเศษเราได้ ไม่ใช่ฝึกสมาธินะคือใช้สมาธิใช้สติไปเรื่อยๆนะั่นอันนั้นได้อ น, นิสงส์แต่ตอนนี้เราไม่ได้เล่นกีฬาเราแข่งกีฬาไอ้ตัวแข่งขันคือจุดเริ่มต้นของความแตกแยกมีใครแข่งไปแข่งเพื่อเพื่อกะว่าจะแพ้ไหมเราก็อยากชนะเขาก็อยากชนะแล้วเราเองก็ขัดแย้งในตัวเราไอ้ตัวอยากชนะของเราใช่ไหมมันก็กลัว กลัวว่าจะไม่ชนะไงเราเองก็สับสนวุ่นวายเพราะเราผิดศีล น, นะศีลคือความปกติของจิตถ้าทำหน้าที่โดยหน้าที่นั่นนะไม่ผิดศีลนะไม่มีความทุกข์แล้วก็สรุปอีกเรื่องหนึ่งสุดท้าย น, นี่เดี๋ยวไม่ใช่เพราะคูคิดขึ้นมาเองนะ เอาข่าวสารทุกวันนี้มาอ่านให้พวกเราฟังสั้นๆมนุษย์สร้างเทคโนโลยีมาคุกคามตัวเองกับอาชีพ5ล้านตำแหน่งที่กำลังจะตกงานจากความล้ำสมัยยุคที่สเตฟานฮอวกินนักทฤษฎีฟิสิก์เรืองนามชาวอังกฤษบอกว่ามนุษย์สร้างเทคโนโลยีมาคุกคามตัวเอง และกำลังได้รับผลกระทบจากพัฒนาการที่มนุษย์สร้างขึ้นเองและหนึ่งในนั้นคือการที่มนุษย์กำลังจะตกงานเพราะในอนาคตมีอาชีพและตำแหน่งงานอีกมากมายที่สามารถใช้หุ่นยนต์ AI หรือปัญญาประดิษฐ์และระบบอัตโนมัติทำแทนได้แล้วอาชีพอะไรล่ะที่กำลังจะเข้ามาทดแทนมนุษย์อ้างอิงจากรายงานของซิตีแบง ร่วมกับมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดทำการคาดการอาชีพที่กำลังจะไม่ต้องใช้มนุษย์และเสี่ยงที่จะตกงานไปใช้ระบบอโตเมติทำแทนได้พบว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อที่มีโอกาสเสี่ยงหนักสุดถึง 98% ซตามมาด้วยพนักงานต้อนรับและให้ข้อมูลนอกจากนี้ยังมีพนักงานลานค้าปลีกพนักงานขับรถแท็กซี่ เจ้าหน้าที่รอปภ พ, า พ, า พ, าพานักงานร้านอาหารแฟร์ฟู้ดบาร์ทเทนเดอร์เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำด้านการเงินส่วนตัวส่วนที่จะกระทบน้อยลงมาคือทนายความนักร้องนักดนตรีนักข่าวครูโรงเรียนอนุบาลครูมัธยมอะไล่ไต่อไปก็ตกงานหมดนะ <c ute> พวกครูนี้มีอารมณ์อารมณ์ดีฉันก็สอนดีอารมณ์ไม่ดีก็ด่าเด็กนะ ก็ <ack> <S <G> <S ใช้หุ่นยนต์เนี่ยมันมีอารมณ์ดีตลอดเวลานะสถานการณ์ประเทศต่างๆทั่วโลกถูกประเมินว่าจะมีอาชีพที่สามารถใช้ระบบอโตเมติทำงานมากถึง 57% เโดย World Economic Forum ประเมินว่าจะมีอาชีพ5ล้านตำแหน่งที่เคยให้มนุษย์ทำงานถูกทำลายลงไปภายในปี2020ไม่นานนะอีก4ปี ขณะที่ในอนาคตมีประเทศที่จะใช้หุ่นยนต์ทำงานแทนมนุษย์สูงมากคือประเทศจีนที่ผลสำรวจคาดการณ์ว่าจะใช้มากถึง 77% เอร์ซ็ว่าคนร้อยคนเนี่ย77คนเนี่ยเขาจะใช้หุ่นยนต์บริษัทฟ็อกคอนบริษัทสัญชาติไต้หวันที่เป็นผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รายใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งมีฐานที่อยู่ประเทศจีนขณะนี้มีหุ่นยนต์ถึงหก0มื่นตัวซึ่งยังเป็นสัดส่วนที่น้อยจากคนงานทั้งหมด 1.3 ล้านคนแม้การใช้หุ่นยนต์เวลานี้ยังเป็นเพียงการเริ่มต้นแต่บรรดาคนงานก็มีความวิตกกังวลกันแล้วว่าจะถูกจากกลแย่งงานไปขณะที่บริษัทดังอย่างไ b บออ้างว่าได้ออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ที่จะวิจัย ที่จะวินิจฉัยวิเคราะห์โรคมะเร็งได้แม่นยำยิ่งกว่ามนุษย์ต่อไปหมอก็ตกงานสู้หมอนวดไม่ได้เห็นไหมหมอวดวนไม่ตกงานตอนนี้เขาจะสร้างไอเครื่องมนวดอะไรก็ช่างแต่ไม่เหมือนหมอนวดหมอนวดเขาใส่จิตใจเข้าไปด้วยนะและแม้แต่อาชีพสื่อสารมวลชนก็ยังมีการทดสอบระบบออโตเมติกเกิดขึ้นเช่นกัน เมื่อสำนักข่าว AP ได้ใช้ซอฟต์แวร์ AI ในการเขียนผลสรุปงานของบริษัทซึ่งผลคือ AI เขียนตัวสะกดได้ถูกต้องเห็นไหมคนเราเขียนถูกเขียนผิดนะและมีความรวดเร็วแม้การทดลองในขั้นต้นต้องผ่านกระบวนการสังเกตและวิจารณญาณก่อนจากมนุษย์เมื่อสเฟานฮอว์กินเคยออกมาเตือนถึงอันตรายของปัญญาประดิษฐ์ในหลายเรื่อง เมื่อปี2015คือปีที่แล้วเองและย้ำว่ามนุษย์จะต้องควบคุมมันให้ได้ซึ่งผลพวงหนึ่งกำลังจะปรากฏขึ้นมาแล้วจากการทำให้เราตกงานวิธีควบคุมก็คือไม่ต้องสร้างไงแต่มันหยุดได้ไหมไม่เพื่อชนะแล้วเนี่ยฉันต้องลดต้นทุนของเขาเขาไม่เคยมีความรู้สึกว่าจะทำให้มนุษย์เราเนี่ อยู่ดีกินดีเขาทำเพื่อ GDP ของเขานี่คือผลกรรมของมนุษย์ที่ตั้งโจทย์ให้ชีวิตผิดมันก็ทะเลาะกันทั้งบ้านทั้งเมืองหมดนะถ้าในทางศาสนาเรียกว่าเราเห็นผิดเป็นชอบเราเห็นกงจักเป็นดอกบัวนะการศึกษาเหมือนกันนะพราะครูเอาเมชีสั ม, มนเนนมาบวัดทำไมทุกวันนี้การศึกษาตั้งแต่ปี เขาเรียกว่าอะไรทศวรรษที่หนึ่งเกนะจนมาถึงยี่สิบเนี่ยมันสอนให้เด็กท่องจำไปเรียนยวิชาเจ็ดแปดหมดวิชาท่องจำอยู่นประเมินความจำกันอ่ะเด็กคิดไม่เป็นอีกไม่กี่ปีนะเมืองไทยมัวทะเลาะ ก, กันไม่เลิอกอยู่เนะียลูกหลานเราจะเป็นเหยื่อแต่ถ้าเรามาเดินสายธรรมในโลกมันจะเปลี่ยนยังไงก็ช่างไม่เกี่ยวกับเรา วิชาแรกที่มนุษย์ทุกคนต้องเรียนคือศีลสมาธิปัญญาเพราะโลกมันเปลี่ยนตลอดเวลามันไม่หยุดแต่ถ้าเรามีศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเราจะรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของมันทุกวันนี้เราสอนลูกหลานเราไปตามมันตามไปว่าไม่ทันตามไปว่าทาามันเปลี่ยนแบบก้าวกระโดดนะโกดักนี่เป็นบริษัทใหญ่ที่สุดในโลกเกี่ยวกับเรื่องกล้องกับเฟรมไม่ใช่เขาไม่มีนักวิชาการ แต่เขาปรับตัวไม่ทันเพราะมันอุ้ยอ้ายละเจงนะซีดีนี่อีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเนี่จะหายไปจากโลกนี้ไอ้ที่ทำธุรกิจอย่างนี้ยังชะล่าใจเนี่ยเรียบร้อยหมดทำไมมนุษย์ต้องสร้างปัญหาตรงนี้ขึ้นมาให้มนุษย์ด้วยกันเองเดือดร้อนเพราะกูตั้งโจทย์อะทำไมเพราะความหลงไงเราไม่ฟังในหลวงเราไม่ฟังพูจ้เจ้าเราไปฟังทุนนิยมวัตถุนิยม ผิดสินอยากรวยก็ทําลายทรัพยากรธรรมชาติเห็นไหมเจาะขึ้นมาวันหนึ่งหลายล้านมาเรยวมันก็เป็นโพรงก็แผ่นดินถลม่มเกิดซีนามิเห็นไหมอยากรวยทําให้เราผิดศินไงรวยไม่ใช่ไม่ดีนะพราะครูบอกแล้วถ้าจําเป็นต้องรวยก็รวยเถอะอย่าไปทุกข์กัมันถ้าจําเป็นต้องจนก็จนเถอะอย่าไปทุกข์กัมัน อันนี้อยากรวยจนทุกข์ไงก็เลยทําลายล้างผิดศีลละไปเบียดเบียนคนอื่นเห็นไหมเบียดเบียนตัวเองไม่พอนะไอ้ตัวอยากรวยมันทําให้เราทุกข์ไงเราเบียดเบียนตัวเองแล้วไม่พอยไปเบียดเบียนคนอื่นก็ทุกข์ด้วยน่ากลัวมากถ้าทุกคนเข้าใจชีวิตนี่คํานี้น่ากลัวมากเราทําร้ายตัวเองตลอดเพราะเราไม่เข้าใจชีวิตถ้าเรา พูดทำเหมือนหุ่นยนต์เนาะตามใส่โปรแกรมเข้ามาเนี่ยต่อไปเขาเขายิ่งไม่ต้องใช้เราเลยเพราะเปืองเดี๋ยวก็ไปลาเข้าห้องน้ำนะเดี๋ยวก็หลบงานเดี๋ยวก็ลาคลอดเดี๋ยวก็ลาพัก้อนเขาก็ใช้หุ่นยนต์ระวังนะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเรื่องเล่นๆมันจะกระทบชีวิตเราทุกคนยุคพ่อครูเกิดมาเนี่ย หกสิบปดปีนี่พรอครูเห็นความเปลี่ยนแปลงยิ่งยี่สามิปีมาเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดดก้าวกระโดดธรรมดาพรอครูกล่าวว่าพรอครูหนีมาจากอเมริกาซึ่งเป็นสุดยอดของทุนนิยมนะเขาเป็นผู้ชนะสงครามโลกหลังจากจิตพรอครูพิกแล้วพ่อครูเอยไม่ใช่อุตสานหนีมาอยู่ชายแดนเราเป็นคนไทยไงเคยข้ามไปลาพรอครูชอบชอบนะพรอครูชวนแม่บ้านพรอครูตอนที่ก็ยังไม่เสียชีวิตนะไปลาวเถอ ก็บอกอยู่เมืองนอกพามาอยู่ในป่าแล้วยังพาเข้าไปลึกอีกเพราะครูช่วยชีวิตเขาไม่ได้นะบอกมันร้อนแล้วเข้าไปไม่ได้นะแบบมันพัฒนาจนความเล่าร้อนการแข่งแย่งชิงนี้มันขนาดนี้ม่ป่าก็หนีไม่พ้นไงอันนี้คิดว่าปลอดภัยแล้วนะท่านในภาษาอีสานบอกอยู่ในลืมเห็นไหมไม่มีไฟฟ้าอยู่สิบอปี ตอนนี้เขาปล่อยให้พ่อคูอยู่ตามนําพังไม่ไม่มันจะเปิดอาเซียนอยู่ช่องเมฆนี่ไงเนี่ยสากลมาจออยู่ตรงนี้นะแต่บังเอิญพระคูไม่เดือดร้อนเมื่อเขาบุกเข้ามาตอนนี้พ่กคูก็ลุยออกไปข้างนอกเลยมเธอเข้ามาฉันออกไปเราต้องยอมรับความเปลี่ยนแปลงไม่งั้นเราจะทุกข์มันจะเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในโลกใบนี้นะความขัดแย้งจะมากขึ้นผู้คนจะ เขาเรียกว่ายุค ข, ข้าวยากหมากแพงไม่ต้องกี่ปีนะเอาแค่4ี่ปีก่อนถ้าใครอายุมากน้อยเนี่ยคนที่อายุส่วนมากตอนนี้ยังไม่ถึงนะนะถ้าสี่ปีก่อนต้องคนอายุประมาณ50ถึงจะจำได้ตอนนั้นทองคําบาทหนึ่งสี่รอยรบาทนะตอนนี้เราดีใจอ้วเดียนจบปัญญาตีแล้วบรรจุ ป, ปุ๊บหมื่นห้า สมัยก่อนเราเงินเดือนเดือนเดือนสี่พันซื้อทองคำได้สิบบาทตอนนี้1มื0นห้าซื้อบาทเดียวก็ไม่ได้เราจเจริญจริงไหมเราเก้าวหน้าจริงไหมพอพูดเรื่องนี้เมื่อกี้มันแบบเลยนะเดี๋ยวพ่อครูหกสิบแปดสี่สิบปีก่อนก็ยี่ยี่สิบแปดสี่สิบห้าปีก่อน อายุ23พวกคูเที่ยวฮันนีไหนขับอยู่ที่สุริวงศ์นั่นคืนหนึ่งพวกคูจ่าย200กว่าบาทถ้าคิดราคาทองตอนนี้กี่ล้านมนุษย์เราถอยหลังถอยหลังดอกกันมนมีเงินเดือนมากขึ้นเมือนเดือนมากขึ้นแต่ไม่พอใช้สมัยก่อนเงินเดือนแค่ 4,000 ซื้อทองคำได้ตั้ง10บาทเห็นไหม เราเล่นเกมอะไรกันอยู่ในหลวงรัชกาลที่9้าพระองค์เห็นนี้หมดเลยแต่พระองค์อยู่กับโลกพระองค์พูดตรงๆไม่ได้ภาษาพระองค์กลางมากอยู่ที่ว่าใครจะมีปัญญาจับต้องได้และเป็นทฤษฎีที่ไปขวางโลกเลยละ่ะเหมือนเหมือนพระพุทธเจ้าพระองค์สอนบอกสมัมมาทานในหลวงสอนให้ประหยัดมัธยัติพระองค์ใช้ยาสีฟันบีบเลยนะ แต่ทุนนิยมบอกว่าต้องใช้เงินไม่ใช้เงินมันไม่เจริญไม่ใช้เงินเขาเก็บภาษีไม่ได้เห็นหมมันสอนให้เราจนนะสอนให้เรายากจนแล้วเราจะเอาทางไหนล่ะนะทางไหนก็เป็นนานาจิตตังชีวิตเป็นของเราพ่อครูมีหน้าที่แบ่งปันประสบการณ์ไม่มีใครสอนใครนะนะพ่อครูไม่บังอาจเอาสมองโงโๆพ่อครูนี่หกปีมาสอนจิตจิตแต่ละดวงมีปัญญาอยู่แล้วแต่พ่อครูขอแบ่งประสบการณ์